ของคนเราก็เหมือนกันกับเด็กคือไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยเกาะอยู่ตลอดเวลาเกาะคนนั้นเกาะคนนี้แต่เด็กยังมีผู้คอยรักษามีพ่อแม่พี่เลี้ยง คอยตามรักษาสมมงเด็กจึงมีความปลอดภัยไม่คอยได้รับอันตรายต่างๆส่วนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นเกาะสิ่ง น, นี้คือไม่เป็นความแน่นอนเหมือนเด็กเกาะพ่อแม่พี่เลี้ยงซึ่งเป็นที่ปลอดภัย จิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนเองไม่ได้ต้องชอบเกาะเสมอการชอบเกาะด้วยการแสวงหาสิ่งที่เกาะนั่นก็เพื่อหาความปลอดภัยหาความสะดวกสบายสาหรับตนแต่การเกาะของจิต และสิ่งที่ถูกเกาะนั้นไม่เป็นสิ่งที่แน่ใจจึงต้องเป็นภัยแก่จิตเรื่อยๆเนย้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเด็กก็ตามนิสัยของจิตย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ค่อยหวังพึ่งตัวเองมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นอยู่เสมอไม่เป็นตัวของตัวได้ อันนี้เพราะจิตไม่ทราบไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติไม่รู้เรื่องวิธีช่วยตัวเองเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะพอจะทราบว่าสิ่งใดเป็นภัยสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไม่ควรเกาะจึงต้องเกาะเรื่อยๆและเกาะดักไปหมดไม่ว่าสิ่งดีสิ่งชั่วขอให้เป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นเนสัยของกิต จ, จะต้องเกาะเรื่อยๆไปเช่นนั้น ไม่ชอบใจก็เกาะทำไมจึงเป็นงนั้นธรรมน า, าไม่ชอบใจไม่เกาะแต่ จ, จิตไม่ชอบใจก็กเกาะเช่นโกรธก็เกาะหลงวิรักก็กเกาะเกลียดก็เกาะคือเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่ง น, นั้นๆ น, น, นั่นแหละเรียกว่าจิตไปเกาะไปเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่ง น, นั้นๆเรียกว่าเกาะทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีทําไมจิตจึงต้องไปเกาะ เพราะเป็นความปิดใจของจิตโดยที่จิตเองก็ไม่รู้ว่าการเกาะนั้นตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไปแต่มันแยกไม่ได้สิ่งที่เหนือจิตยังมนจึงจำเป็นต้องในเกาะได้ยึดได้เป็นอารมณ์ให้เกิดความขุ่นมัวจต่ตนอยู่เสมอ นี่เราพูดถึงเรื่องอารมณ์ทุงเรื่องวัตถุของนี้อะไรก็ต้องเกาะที่นั่นยึดอันนั้นจนได้ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรมันยึดมันถือได้ทั้งนั้นจิตนี้เป็นนักยึดนักเกาะไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้จึงต้องอาศัยสิ่งภายนอกอดีไม่ดีอาศัยสิ่งา น, นอกเป็นอำนาจก็มีในทั้งที่ไม่ใช่อำนาจ ไม่ใช่ไม่ถูกทางแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าอตาัตหิปนูนาโถนี่เรียกว่าพยายามแก้ไขความเกาะเกี่ยวของจิตที่หลังพึ่งพิงสิ่งต่างๆนี้วัตถุต่างๆนั่นให้เข้าหันเข้ามาพึ่งตนเองบ้างหินอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยเตือนฟุงอาศัยคลายคายต่าง นิสัยที่อาศัยผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นและติดใจเป็นนิสัยขึ้นมาท่านถึงสอนให้หวังพึ่งตัวเองีพูดถึงเรื่องหยาบๆหน้าที่การงานก็ให้หวังพึ่งตนเองบ้างนี่และประยุนเข้ามาทางด้านธรรมะคือการปฏิบัติมีเป็นเรื่องจะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่แน่นอนแห่งการพึ่งตัวเองที่ถูกต้องท่านถสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดี ทานสีลภาวนานี่เพื่อจะหวังพึ่งตนเองให้จิตได้ยึดได้เหนี่ยวได้เกาะในสิ่งที่ดีงามเพื่อจะยังจิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทําที่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีเมื่ออารมณ์ที่ดีเพื่อจากการกระทําที่ดีก็ย่อมทําจิตใจให้มีความร่มเย็นและหาสุขอยางนั้นก็สอนในภาวนานี่ยิ่งละเอียดเข้าไป พึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งอ่าสิ่งนี้ก็ให้พึ่งพึงพยายามอบรมทางด้านกิตตภนนาสอนในพึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทนั้นนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งทำนั้นก่อนก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ จึงต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจให้ใจได้เกาะให้ใจได้ยึดในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเช่นเรากหนดพุโทโธพุธโทโธเป็นตน้นเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งในการพึ่งธรรมหรือในการพึ่งตนโดยอาศัยหลักธรรมเป็นที่ยึดเกาะแนในขณะนั่นก็ตามที่เราเพิ่งเริ่มฝึกหัดใหม่ ที่จิตยังฟุ้งซ่านยังหาหลักหาเก็ฑไม่ได้เป็นตัวขังตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยบทธรรมกากับรักษาจนกระทั่งจิตมีความกลมกลนกืนกันกับบทธรรมนั้นนันแล้วหดตัวเข้ามาสู่ความสงบแม่บทธรรมที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนก็เลยหมดปัญหาไปในขณะที่ใจของตนก้าวเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่า พึ่งตัวเด็นได้แล้วในขนาดนั้นทําบุตรใดทั้งหมดไม่จำเป็นในขณะที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นเป็นละ เ, เป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่านี้ก็มีความร่มเย็นภานะจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็น มีต่วความรุ่มร้อนมีต่วความหิวความกระหายมีต่วความระวังเนื้อระวังตัวเรื่องต่างๆซึ่งไม่เข้าเรื่องระวังหักไม่ถูกทางความระวังนั้นเลยกลายเป็นความ ส, อส่อแสงหาสิ่งเป็นพิเป็นภัยมาทำลายตัวเองเจ็บเป็นจํานวนมากเพราะไม่ใช่ทางพระโพธิจจะท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้ว ในวิธีที่ถูกต้องตลอดทั้งผลที่ได้รับแล้วเป็นที่พึงพอพระทยจะแนะนำนั้นมาสอนพวกเราให้พึ่งตนเองการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเป็นทางตรงแนวแต่ต่อการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นงคงผิดผู้ใดมีความสงบมีหลักมีเกณฑ์มากน้อยเพียงใดจะ เป็นความแน่ใจและมั่นใจตัวเองขึ้นไปโดยลาดับคือไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจจตังหรือสันทิตโกสันทิตโ ก, ส, ตโกสิ่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควรถอดควรถอนควรบ ำ, บำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายใ น, น, ในใจิตใจแน่หนามันกลุมขึ้นโดยลาดับก็ทราบ เพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหนักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายกระกรองเนา่าย้อนเข้ามาสู่จิตตภาวนาด้พักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นนี่คือเข้าหาที่พึ่งเข้าหาที่อาศัยอันร่มเย็นนี่เป็นที่พึ่งขั้น แล้วขั้นต่อไปแม้จะเป็นสมาธิด้วยกันก็ตามแต่เป็นความละเอียดของจิตที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นขั้นขั้นอุปจาระมัง่งคณิกะมั่งอัปนามั่งเป็นขั้นขั้นอปนาหมายถึงความละเอียดของสมาธิเรียกว่าละเอียดเป็นภูมิของสมาธิเพียงเท่านั้น เลยนั้นไปไม่ได้เป็นอัปปนาดูแค่นั้นถ้าไม่ใช้สติปัญญาพิณิพิจนาแล้วจิตจะมีความละเอียดอยู่ในขั้นสมาธิโดยไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนที่ละเียไไดใดๆเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงตัดกิ่งก้านของมันออกแต่ต้นของมันยังไม่ตัดอหลักแก่หลักป๋อก็ยังไม่ตัดแต่มันก็แตก ออกมาอีกงอกออกมาอีกจนได้อืจารยสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉียวฉลาดแหล ม, มคมไ่ตรองไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านเขาเรียกว่ายานไปแล้วดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโรธนสูตร ปัญญาอุตรปานิวิชาอุตรปานิอโลโกอุดรปานิเห็นงาังาอุดรปานิเนี่ยต่างกัวิชาวิชาสามเนี่ยปัญญาอุดรปานิปัญญาเกิดขึ้นงานังอุดรปานิเนี่ยมีความละเอียดเข้าไปเปน็นลำดับเพื่อขึ้นจากใจอันเดียวเนี่ยปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เหล็ ที่ปกคุมตนเองสมาธิเป็นแต่เพียงว่าทำพิเรกกวาดต้อมพิเรกเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภายในจิตใจเป็นการเปลีนเวลาแต่อุปท า, านของจิตที่มีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังไม่หักเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบต่มเย็นบ้างเท่านั้นปัญญาที่โดยสิ่งที่ฟาดฟันหรือถอดถอนสิ่งต่างๆบรรดาที่เป็นพิเรก มากน้อยออกได้เป็นลำดับลาดับส ม, สมาธิปาริภาวิตาปัญญามหาปราโพติมหายสร้างสรนะ้างนสมาปัญญาทีสา่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจารณามีผลมากห้่องแคล่วแก้วกล้าสามารถตัดกิเลสได้โดยลำดับลหดับ ปัญญาปฎิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นโดยทิเล็กทั้งปวงโดยชอบนานตั้งอปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอดถอนทิ่เล็ไม่ว่าส่วนหยากส่วนกลางสนเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันไหนที่จะเหนือนปัญญาไปได้ไปได้ นี่เป็นธรรมดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดำเนินมาเรื่องสมาธิปัญญานี้ิึงแยกกันไม่ออกถึงจะเป็นจริดนิสัยใดก็ต่างสมาธินี้จะต้องมีแนกอยู่เสมอคือความพักสงบของจิตความพักงานตั้งแต่งานทางโลกเรายังต้องพักถึงเวลาพักไม่พักไม่ได้โดยที่เห็นว่าการพักนั้นเสียเวลาเวลา การรับทานอาหารเพื่อบํารุงร่างกายก็เสียสมบัติเสียอาหารการกินตเปล่าๆเสียเงินเสียทองเสื้ อ, อาหารมาตางก็ไม่ถูกเสียไปก็เพื่อบํารุงร่างกายเราให้มีกําลังควรแก่หน้าที่การงานต่อไปอีกเนี่ยเราพักผ่อนนอนหลับถึงจะเสียเวลาไปก็เพื่อกําลังบังชาส่วนร่างกายเราที่จะควรต่อหน้าที่การงานต่อไปอีกนั่นเพราะฉะนั้นเสียเวลาก็ดี เสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานำมารับทานยายาธาตขันต์ก็มีกำลังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเสียเรีนกว่าเติมน้ำมันถ้าเป็นรถก็แลว้วเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้ปัญญา สมาธิปัญญาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นนั้นต้องมีเวลาพักแล้วคิดค้นด้วยสติปัญญาตามความสามารถของเราแต่ละคนนะคนณคำว่าปัญญานี่ละเอียดมากกว้างขวางมากตามแต่จดดิิสัยของผู้ที่นำมาใช้อันใดที่เราพิจารณาลงไปเพื่อเป็ น, ปนการถอดถอนกิเลสได้ โดยลำหนับนั้นท่านเรียกว่าชอบปัญญาโดยชอบแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านตามตำลับตำลามาได้มาจากตำลับตำลามากแก้กิ่เละทุกประเภทถึงจะเป็นธรรมเพราะในตำรานั้นก็ถอดออกมาจากจิตใจซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นผู้ทำเป็น ผ, ผู้ถอดถอนทิ่เลสได้เห็นผลประจักษ์แล้วจึงได้เขียนลงในตำรานั้นไม่ใช่ตำลานั้นเกิดก่อนความจริงคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญ พระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีตาราที่ไหนเวลาสั่งสอนสาวกลึดในยวสัตว์ทั้งก็เหมือนกันไม่ได้ดจารึกลงในคำพูดใบลานสอนด้วยพระโอษฐของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการประบัติแล้วนี้ไปสอนนะเพราะฉะนั้นอุบายของสติ ป, ปัญญาจึงสําคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะ แยกแยกออกมาใช้ในตัวเองตามสติกำลังความสามารถของแต่ละรายละหลายไปไม่สิ้นสุดหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเอาตามตำหตนักตำรามาเสียทุแยกแง่ทุกมุมจึงจะเป็นธรรมเราคิดขึ้นโดยลาพังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแ จ, จะเฉลี่ยได้นี่เป็นความหห็นผิดของเราท่านแสดงไว้ตามตำหตนักตาลานั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลย ถ้าเป็นญาก็เป็นญาหม้อใหญ่ไม่ใช่เป็นยาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะเฉพาะทีเราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทนี้เป็นยาที่เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลสประเภทนั้นนั้นให้หมดไปโดยลมไหลเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญาจิงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัตมีธรรมมีสติปัญญาค้นคว้า อ, อยู่ตลอดเวล า, ด, ลาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงว่า ฟังทำทั้งกลางวันกลางคืนงานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสแล้วจะเมื่อไม่พอไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรเป็นผู้รับทราบการที่จิตรับทราบก็กระเคือ น, นทังสติปัญญาจะต้องค้นควา้าพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอดทอนหรือปล่อยวางกันไปได้โดยนดิสัยนี่ท่านเรียกว่าฟังทำทั้งกลางวันกลางคืนคือทําในหลักธรรมชาติ ที่มีอยู่ดั้งเดิมกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตธรรมะชัตศีล ส, สมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีภายนในใจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะผิดคนขึ้นมาพิจิตริจนาใช้ประโยชน์ตามสติกำลังความสามารถแห่งเครื่องมือนั้นๆคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันเนี่ยตั้งว่าธาตุมาขันทศกุมร า, าย พระพุทธเจ้าก็มีสาวกทั้งหลายก็มีท่านก็เคยติดท่านก็เคยยึดเคยถือเป็นอุปทานได้เช่นเดียวกับเราเป็นกิเลสได้เช่นเดียวกับเราเมื่อยึดให้เป็นกิเลสเมื่อทําให้เป็นกิเลสสิ่งอันี้ก็กลายเป็นต้นเหตุที่จะสะสมกิเลสขึ้นเจ่ใจ ข, งของเราได้พระพุทธเจ้าและสาวกที่เป็นอรหันต์เหล่านั้นท่านมีอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกับเรา แต่ทำไมท่านถึงถอดถอนเอาได้ร่างกายท่านก็เหมือนร่างกายของเราขันห้าของท่านเหมือนกับขันห้าของเราทำไมท่านถอดถอนได้เราจะถอดถอนไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้ทำไมท่านรู้ได้เราทำไมรู้ไม่ได้ใจเราก็มีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นได้ในแง่ต่างๆตามแต่ผู้ที่จะชอบคิดในแง่ใดๆขึ้นมาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันที่เป็นอยู่กับตน เป็นสิ่งที่ทําได้รู้ได้รู้ได้เนี่จิตที่ว่าพึ่งตัวเองไม่ได้สรุปลงมาในตัวของเราเนี่ย <c oughs> ก็คือต้องพึ่งขันนอกจากพึ่งขันแล้วยังถือขันเป็นตนอีกนั่นพึ่งเขาแล้วยังถือเขาว่าเป็นตนโดยไม่ละอายเลย ว่างละอายเท่าเท่าไหนขนาดไหนมันก็จำเป็นจะต้องได้ทนถือเมื่อมันยังไม่รูรเรียกว่าไม่ละอายก็ถูกพูดให้มันถึงเหตุถึงผลกันเขาเป็นเขาตามหลักธรรมาชาติของเขาแต่เรายังอูตส่าไปยึดเอาเขามาเป็นตัวของเราอีกมันก็ยุ่งเพราะมันสูนความจริงเพื่อให้ตรงกับความจริง ให้พิจารณาเห็นตามความจริงทั้งหัดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ําๆซักๆเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจไม่ต้องบอกปล่อยบอกวางปล่อยเองทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภายตบเพราะการยึดถือของเราไม่ใช่เป็นคุณอะไรด้วยการยึดถือหากเป็นบุญเป็นคุณแล้วพระพุทธเจ้า ป, ประทงสอนให้ยึดถือหรือไม่ต้องสอนนันก็นยึดอยู่แล้ว แต่นี้มันเป็นพิษเป็นภัยในการยึดถือสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะไม่เป็นภัยต่อเราก็ตามแต่เราก็ไปยึดออกมาเป็นภัยด้วยความสําคัญว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนี้เขาเป็นเราเขาเป็นของเราเป็นต้นนี่มันดุ่งตรงขึ้ไปสําคัญไปหมายด้วยความรุ่มหลงของเรานี่แหละแต่ขันนั้นๆนันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันเองอยู่ตามความจริงเส้นเดียวกับต้นไม้ภูเขานั่นแหละที่รับทราบในแง่ต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วรับทราบไม่ได้เนี่ย ขึ้นไปจากจิตแล้วความหมายสําคัญาหมายต่างๆก็ไปจากจิตเป็นผู้หมายจิตนี้ปัจจุว้ซึ่งความรุ่งหลงเต็มตัวสแสดงมาในแยีในจึงมีแต่ความรุ่มความหลงความยึดความถืออันจะเป็นภัยแก่ตนทั้งนั้นนี่นี่แหละที่ว่าจิตมันพึ่งตนเองไม่ได้มันจึงต้องไปกาบ น, นั่นก่อนนี้การพิจารณาทางด้านปัญญากาะเพื่อจะให้รู้เรื่องในสิงทั้งหลายแล้วขักออกไปดันออกไปแก้ อ, อกไปให้พึ่งตนเองได้ โดยลำหนักลำหนักเราดูสิ่งอื่นเรายังดูตลอดตั้วถึงพอเข้าอกเข้าใจดูตึกรานบ้านช่องดูอะไรไรก็ดูยิ่งดูชาดูสัตว์ดูคนลดูวัตถุสิ่งของต่างๆเรายังทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นมีราคาสูงสิ่งนี้มีราคาต่ําสิ่งนั้นควรเอาสิ่งนี้ควรไม่ควรเอาเรายังรู้แต่เรามาดูล่างกลางเรานี่ทําไมมันไม่รู้ แล้วไม่รู้ก็เอาด้วยยึดด้วยเนี่ยสิ่งภายนอกเราไม่รู้เรายังไม่กล้าเอารู้มาไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าเอาอันนี้ดีไม่ดีเอาทั้งหมดจะว่างเลตอนนี้ทิ่ตอนมันโง่ต่อเราตาเนื้อก็เห็นอยู่ร่างกายเป็น ใจิตใจแล้วก็ทราบอยู่แต่มันทราบอย่างผิวเผินทราบอย่างธรรมดาสามัญชนไม่ได้ทราบตามความจริงทราบอย่างสามัญชนก็คือทราบสามัญวิชชานั่นเองถามันของความรุ่งหลงแห่งความรู้นั่นเองไมไ่เป็นไปตามความจริงเพราะนั้นจึงต้องหาความจริงให้แทรกเข้าในจิต น, นั้นคือปัญญาแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วเราจะทราบความจริงของมันที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งไม่ปิดบังอะไรเลยดูให้ชัด มันไม่ได้กว้างขวางเลยเลยร่างกายนี้กว้างสอบยาววานาคือขนาดมันน่าจะดูทั่วถึงอยู่ภายนอกคู่เดียวก็ถึงทั่วถึงภายในก็ดีและดูให้ซึง้งพิจารณาให้ซึง้งตามอาการตามความเป็นอยู่ของมันตลอดถึงความสลายความแตกทำลายของมันไม่ไปไหน มันจะกล้าเข้าสู่ความแตกสลายทําลายของมันลงสู่ท่าเดิมเท่านั้นไม่มีไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาให้มันซึ้งตามความจริงอันนี้เมื่อมันซึ้งตามความจริงนี้อย่างหาที่ค้านตนเองไม่ได้แล้วเรื่องอุปาาทานคอยยึมัน่นถือมันในสิวงนี้มันจะถอนตัวทันทีเมื่อยังไม่ซึง้งพิจารณาให้ซึง้งให้ชัดเจนด้วยปัญญาของเราปัญญานี้ไม่มีใครบอกปัญญาที่จะซึ้งในภายในร่างกายที่มีอยู่กับตัวนี้ เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเองรู้เองมากน้อยเราต้องพิจารณาเองเข้าใจเองเมื่อเข้าใจเป็นภูมิก็ปล่อยเป็นที่เราเป็นคนถือเองคนอื่นจะปล่อยวางให้เราไม่ได้เราต้องพิจารณาพวกปล่อยวางเราเองจนเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเพีงเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเรา ด้วยความโง่เขลาบกันดาของเราเจ้า ก, ก่อความทุกข์ให้แกเราไม่มีสิ้นสุดยิ่งในวาระสุดท้ายอันนี้จะแตกจะสลายจะเกิดความเสียดายเกิดความโวงความนความรักความสงวนแล้วยิ่งจะปลายใหญ่ทั้งๆที่มันไม่ไม่มีอะไรที่ให้ให้รักให้เสียดายไม่ต้องว่าน่ารักแหละไม่มีอะไรให้ให้รักให้เสียดายเลยมีแต่สิ่งที่จะแตกจะสลายถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นเขายังจะฝืนอยู่เหรือมันจะแตกมันจะสลาย ตามการเวลาของหมัดอย่างไม่มีที่แย้งนี่เป็นความจริงแล้วฝืนความจริงแบบไม่ยากให้มันแตกไม่ยากมันดัดยังรักยังสงวนอยู่อย่างนี้มันฝืนฝืนความจริงความฝืนความจริงนี้จะต้องก่อทุกข์ให้เรามากมากากกองดีไม่ดีไม่ได้สติสตังในขณะนั้นเะด้วยนี่เหล่านี้เป็นโทษของความฝืนความจริงทงั้งหลาย ปัญญาจึงต้องพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทั้งยังมีความเป็นอยู่เวลานี้ทั้งเวลาสลายไปปัญญาได้เห็นชัดเจนทั้งปัจจุบันและอนาคตแล้วมันต้องมีอะไรเป็นปัญหาความสุขความทุกข์มันมีสิ่งเหล่านี้มันก็อาศัยการเกิดขึ้น จิตเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับทราบมันก็ต้องรู้แต่ความรู้ตามความจริงเป็นอย่างความรู้ด้วยความเพื่อความยึดถือเป็นอีอย่างอันนั้นเป็นไถ่เห็นเราเข้าใจเอาไว้เรพิจารณาทุกขั้นทุกผู้แล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยสิ่งต่างๆใจเราไม่เป็นตัวของตัวมันจึงมีความเดือดร้อนไม่แน่ใจเพราออันนั้นเองเอเราก็เองเพราะสิ่งนี้ เียงเราก็เอียงสิ่งนั้นล้มเราก็ล้มเพราะอาศัยเขาเนี่ยเขาพัเอียงก็เอียงเขาพัล้มก็ล้มเขาพัตั้งอยู่ก็ก็พอตั้งอะไรบ้างแต่มันไม่ยอมตั้งถึงเขาตั้งอยู่ยังไม่ตายเราก็ยังเดือดร้อนนะ่ะเนี่ยท่านถึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดดมูยปัญญาของเราเป็นสิ่งเพียงเครื่องอาศัยทั้งนั้นวันเวลานาทีกินเข้าไปโดยลาดั บ, ดบ ถ้าเราเห็นความกัดความกินความแทะของวันเวลาของการของธรรมชาติทั้งมันที่มันสึกมันก่อนไปโดยลำดับแล้วมันก็เหมือนกับสุนักทึ้งเนื้อต่างๆกันหนึ่งไม่ผิดอะไรทึ้งตลอดเวลากัดแทะทึ้งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะกัดจะแทะ<ม>อันนี้ก็เอากันอย่อยางนั้นอนะ่ะสลายไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความจกินของมัน ดูกับเราก็ตามนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอมันก็ตามรับชนิดมนนันก็ตามมันมันกัดมันแท้มันทึงคือเวลับเวลาความสลายความหมกไปหมกไปนัง่งมันกัดมันแท้มันทึ้งอยู่ข้างในเราเนี่นจะแยกเขาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้หรอือแย่งไม่ได้ น, นั้นเป็นกติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่โตมากความสาคัญของเรานี้เป็นเป็นเรื่องผิดความผิด มันจึงแย้งความถูกเปนไม่ได้นั่นเป็นความถูกต้องเป็นหลักธรรมชาติของเขาความฝืนหลักธรรมชาตินั้นเป็นความผิดของใจจึงต้องเกิดความทุกข์แก่เราพิจารณาให้รอบครอบสิ่งเหนี้ถึงเวลาเข้ามาแล้วจะไม่ต้องหวั่นไหวเพราะได้พิจารณาหมดแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามนั้นอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นไปตามที่เราพิจารณาแล้วเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นหนึ่อ้าว ต่างอันต่างเป็นไปอะไรแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรก็ให้เป็นทุกเวทนามันก็เขาเขา้ากับส่วนร่างกายนี้อ่าร่างกายนี้ก็ค่อยประอบค่อยเตรียมลงไปโดยลำดับลําดับแตกสลายลงไปอ่าจิตใจมีสติปัญญารอบตัวแล้วไม่แตกไม่ดังมไม่ติดเป็นตัวของตัวโดยตรงพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่า น, นี้แสนสบมบัตินี่ การพิจารณาภาวนามีความสำคัญอย่างนี้มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างนี้นักตาาท่านมีพธธระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องสอนลงเรื่องสติปัญญานี้เป็นสมคัญเพื่อนำจิตฉุดล่าจิตออกมาจากกองเทิงให้พ้นจากภัยไปศา ส, สนาพระ พ, พุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเ่านี้มีแบบเดียวกันพิเรศแบบเดียวกันไม่มีองค์ใดที่จะสอนให้แตกให้แยกไปจากนี้เลยต้องสอนแบบเดียวกันการปฏิบัติเพื่อสะท้อนสะท้อนี่เรศมากน้อยออกจากใจก็ต้องแบบเดียวกันคือตามหลักที่ท่านสอนไว้ดำเนินตามแบบนั้นถ้าผิดจากแบบนั้นแล้วี่เรศก็หัวเราะ เอาแล้วพี่ยังมาไม่ว่ากว้างว่าแคบเอาทั้งโลกกานนี้จิตจะหวังพึ่งอะไรพอปลอดภัยเพราะคำว่าพึ่งฟังดีแม้แต่สิ่งที่ติดแนบกับตัวของเราเนี้มันยังไม่ปลอดภัยแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกปรจากร่างกายของเราเนี่ยจึงจะปลอดภัยหาไม่เจอเลย แต่สิ่งที่ติดแนบอยู่กับเรามันยังไม่ปลอดภัยมันยังเป็นตัวภัยอยู่ได้เรายังไม่เห็นตัวภัยนี้เราจะไปเห็นภัยที่ไหนต้องเห็นภัยที่นี่แล้วถอดถอนจิตใจออกจากตัวใครนี้ก็เป็นคุณขึ้นมานี่เรียกว่าอัตตาเหตุนานาโถโดยสมบูรณ์ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นแม้ที่สุด คำว่าสีนก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อถึงขั้นสุดท้ายตาแดนแห่งความหลุดพ้นแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยจะพึ่งอะไรเครื่องมือแก้กิเลสหมดสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเช่นเดียวกับมีดเราเอาไปหั่นผักเนี่ยเอาผักมารับทานแล้วมีดก็ต้องทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วม่แต่รับทานมีดเนี่ย สิงฆมาที่ปัญญาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสพอกิเลสสิ้นไปแล้วอันนี้ก็หมดความหมายไปกับใจเอ่อมีลามีชีวิตอยู่ที่ธรรมาชาติก็ใช้เพื่อโลภเพืสงสารไปตามสมมติท่านั้นไม่ได้ใช้มาแก้กิเลสแต่อย่างใดอีกต่อไปยิ่งวัะสุดท้ายที่จะผ่านธาตุฐานขันด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยสติปัญญาก็กเรียก่อนไม่มีปัญหาธาตุขันก็มีปัญหา พอหมดปัญหาภายในจิตใจแล้วอะไรก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงกล้าเข้าสู่ความหมดปัญหาเสร็จมันก็หมดกัางหมดถ้าจะมีปัญหาอยู่มันปัญหาฟัางเท่าไหรปัญหาเรื่องความทุกข์ความลําบากความเกิดจากจิตตาท่า น, นก็ตามมันไปนั่นแหละคําว่าปัญหาพอสิ้นปัญหาแล้วก็สิ้นโดยประการทั้งปวงทีจารณาให้รู้ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่กับกายกับใจของเราแยกแยกให้ได้ด้วยอำ น, นาจของสติปัญญาที่ทำงาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจสติปัญญาเอามาหุงต้มกินไม่ได้ได้แต่พื่อเอามาแก้กิเลสถ้าเราจะกรึกออกมาใช้ในการแก้กิเลสแก้ได้วันย่างคาถ้าจะพานนอนจมกับจมอกันอยู่ยนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผลที่สุดปัญญาเขามาทชาอยู่ที่ไหน เวลาจนกรอบเป็นมุมก็เอาหัวชนฝาใช่ไม่ได้เลยเราม่ใช่ลูกจิตตถาคตผู้อดหัวชนฝาเพราะที่เจ้าไม่ได้พูดหัวชนฝาอสังฆังสันานระฉาม่ที่เรานับถือก็ไม่ใช่สั้นพูดเอาหัวชนฝามาั้งเราจะเอาหัวชนฝาเมื่อมีทางพอจะตีกตัวออกได้ด้วยอุบายใดก็ต้องพยายามจนหมดความสามารถของเรา หมุ่มมดจสามารถแล้วก็สุดวิสัยเอาอยู่ไปถึง ท, ท่านใดพุนใ ด, ดก็อยู่คนตายเพราะมันสุดวิสัยที่ทาเมื่อยังไม่สุดวิสัยเอาพยายามตะเกียบตะกายเสือกานไปให้ได้การมาล่มจมในวัดต่างสถานมันก็เหมือนเนื้อร่มอะไรก็ล่มไปด้วยกันหมดตะ ว, วันเรือก็ล่มก็จมวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือก็จมคนก็ตาย เรามาล่มจมกับท่ากับขันด้วยความรุ่งความหลงท่าขันก็ล่มไปตามสภาพของเขาอืมจิตใจของเราก็ล่มก็จมไปด้วย ม, มันดีแล้วเหรอความล่มความจมไม่ใช่เป็นของดีจิตใจล่มจมไปเพราะความรุ่งหลงบิดบังคับให้จมดิ่งลงไปมันก็ไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เลือดรอดให้โดยลำแบากพิจารณาให้เห็นความจริงของเฉพาะอย่างยิ่งของทุกขเวทนา ที่มันมีอยู่ในการใ น, นจิตเฉพาะอย่างยิ่งในการนี่สําคัญมากมันเข้าไปยึดกายเป็นเรื่องในจิตเข้าไปที่ให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงที่ว่าอาการห้าให้ทราบอาการห้าไม่ใช่เรารูปเวทธนาปัญญาต่างขันยัญเ ป, ป็นอาการหนึ่งที่อาศัยกันอยู่ในธาตุในาขันยนี้เท่า น, านั้นจิตเป็นอันหนึ่งต่างหา่างแยกแยกกันให้ได้ด้วยสติปัญญาของตนจะเป็นผู้พ้นไถยตายก็ตายไปเธอ โลกตายได้ทั้งนั้นเรื่องของตายมันจะให้มันเป็นได้ยังไงถึงข่าวมันตายมันต้องตายถึงวาลาแล้วใครห้ามไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ต้องตายจะคิดกันกับว่าท่านตายอย่างแบบทายห่วงหายห่วงแล้วยังไม่ตายแต่เรานี่ห่วงอยู่ทั้งๆงที่ยังไม่ตายก็ห่วงก็ห่วงเวลาตายไปแล้วก็ยิ่งห่วงยิ่งห่วงปายใหญ่ไปเป็นภัทั้งก่อนความห่วงในการกปนภัยตัวตนเองอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหายห่วงไปเลยเนี ผมได้เคยพูดเสมอกุศลธรรมมาสร้างให้พอความเฉลี่ยฉลาดให้เราล่ะกุศลาเราเองกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอากุศลที่ตรงไหนที่มันโง่กําจัดมันออกไปด้วยกุศลคือความฉลาดคือสติปัญญาของเรานี่แหละท่านเลยว่าสวดกุศลธรรมมาให้ตัวเองขึ้นตัวเองต้องทําแบบนี้ขึ้นคนอื่นเนีน่าตายแล้วถ้ากุศลธรรมมายุ่งไปหมดเออไม่เอา พุทธาตั ม, มายตัวมันพอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายตายอย่างสุขโต <ừ. S 1> อาลละแสดงเพียงพร่านี้